ญาติโยมและเพื่อนพิสูจน์เสมเณรทุกท่านที่มาฟังธรรมะหรือมาฟังการบรรยายธรรมะหรือมาฟังเทศที่วัดสนามหน่ยบางคนก็เข้าใจในคําพูดบางคนก็ยังไม่เข้าใจในคําพูดเพราะสึ่งที่เรายังไม่เข้าใจเนื่องจากเรายังไม่เคยฟังไม่เคยซีนหูเรามันก็เลยไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่ 9. มีนาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าอาตมาก็จะพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละจุดหมายปลายทางมันจะคําพูดนั้นบางทีก็เปลี่ยนไปบ้างบางทีก็จำได้คําพูดเดิมๆไม่เหมือนกับเราพูดนา้าโมตตาั น, นา้าโมตตะในี่ใครพูดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแต่คําพูด เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมนั้นไม่เหมือนกันแต่คนไหนถนัดเรื่องใดก็นำเรื่องนั้นมาพูดสำหรับตัวของอาตมาหรือตัวของผมคิดว่าทุกคนทำได้อย่างนี้มันก็เลยคิดเห็นแต่เรื่องเดียวเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอริยสัจนี่เป็นของจริงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในโลมกมรรคสี่ แม้จะไปพูดที่ไหนท่างก็ต้องพูดเรื่องอริยสัจสี่ทางนั้นพระพุทธเจ้าของหลัาแต่ท่านพูดบางทีก็พูดเรื่องทุกข์บางทีก็พูดเรื่องปฏิจิจกรรมบาทบางทีท่านก็พูดเรื่องอริยสัจบางทีท่านก็พูดเรื่องอนยตนะสิบสองหรือขันห้ารวมความแล้วก็เช่นเดียวกันแต่อาตมานั้นเป็นผู้ไม่มีปัญญามากคือไม่ได้ศึกษามาก มันเลยไม่มีความรู้มากแต่รู้ได้วิธีที่จะนำปัญหามาแก้ปัญหานั่นเองคือว่านำปัญหาที่มาแก้ปัญหานี่หมายถึงแก้ความผิดพลาดของเรานั่นเองคนเราทุกคนมันต้องมีความผิดพลาดบ้างมีผิดบ้างถูกบ้างการกระทามานั้นคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิด คำว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดนี่มันทุกคนต้องทำผิดมาไม่ใช่จะถูกทั้งหมดเลยมันต้องมีผิดบ้างถูกบ้างความผิดเราจดจำเอาไว้แต่ความถูกต้องนั้นเราต้องส่งเสริมไปความผิดเราต้องจำให้มันดีจำแล้วจะมาทำไมจำเพื่อจะแก้ความผิดนั่นเองถ้าเราไม่จำความผิดไปเราก็เลยไม่ได้แก้ความผิดของเราเป็นอย่างนั้นเราจะไปเข้าใจว่าจะถูกต้องทั้งหมดมันไม่ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากพูดให้ฟังเพียงหัวข้อเป็นบทเรียนของพระองค์มากที่สุดเมื่อพระองค์ตัดสรู้แล้วเป็นพระราหันออกมาใหม่ๆยังไม่เคยแท่เคยสอนใครทั้งหมดเลยมาพบเอากับอุปการศิวคนเนี พระองค์ก็พูดให้ฟังตามตรงอุปกรารศวกคนนั้นก็เลยฟังไม่ได้แต่อุปกรารศิวกคนนั้นสแสวงหาพระพุทธเจ้าแสวงฟังธรรมะจากสะตะบุรุษเพื่อทําตัวให้คนแตจากโสมทุกนั่นเองพอดีพระพุทธเจ้าท่านพูดตรงไปตรงมาเกินไปท่านก็พูดให้ฟังตามตรงอ่ะถามคนนั้นถามพรเจาท่านอยู่สํานักไหนเป็นลูกศิษย์ของใคร ครูบาอาจารย์ของท่านสอนธรรมะเรื่องไหนให้พระองค์ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นลูกติ์ของใครไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สำนักไหนไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองนักบวชคนนั้นหรืออุปกาชีบอกคนนั่นก็ได้แต่แลบลิ้นเท่านั้นเองนี่อันนี้แสดงว่าข่มผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดนะว่า ดังนั้นคนพูดที่มีปัญญามากต้องพูดความค้อ ม, อมแต่ตัวอาตมาไม่มีปัญญาก็พูดให้ฟังอย่างที่ตัวเองเคยประสบพบเห็นมานั่นเองดังนั้นความผิดพลาดนั้นจึงมีมากทุกคนแม้เส้นทำนาทำสวนก็ยังมีความผิดเช่นเดียวกันพูดคำว่าทานอาหารทุกวันทุกวันก็ยังยังมีความผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดวันของเรามันขบลิ่นล้าก็ยังได้ บางทีกินอาหารเข้าไปกล้ามันปักคอแล้วก็ได้เพราะความผิดพลาดทั้งนั้นสิงเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาธรรมะศึกษารอบด้านได้ศึกษากับบุคคลผู้ที่เสมอเราก็ได้ศึกษาผู้ที่มีความรู้เหนือเราก็ได้ศึกษากับบุคคลผู้ที่ยังไม่มีความรู้เสมอเราเดี๋ยวผู้ต่ำกว่าเราก็ได้ดังนั้นทั้งสามคนนี้จึงเป็นครูของเราได้ทั้งหมดเลยถ้าเรารู้จัก ศึกษาถ้าเรารู้จักเอามาใช้ได้แต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ได้ก็ถือว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเราคือยังไม่ได้ตัวตาตัวเรานั่นเองที่นํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้มาแก้ปัญหาตัวเรานี่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วสอนสอนแล้วสอนให้ทุกคนแก้ปัญหาตัวเองให้มากอย่าไปแก้ปัญหาคนอื่นให้มากถ้าไปแก้ปัญหาคนอื่นมากมันชอบจะเป็นคนลืมตัวท่านวถ้าแก้ปัญหาตัวเองมากแล้วมันจะไม่ได้ลืมตัวตัวอาตมาหรือตัวของผมเองเคยพูดอย่างนี้ว่าอายุสี่สิบหกปีจึงจะเข้าใจสัมผัสกับตัวเองได้ เคยพูดเคยสอนคนอื่นได้สอนได้สบายแต่ตัวเองนี่สิมันสอนยากดังนั้นจึงไม่รู้จักตัวเองเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี่แหละลอดทุกคนทาได้อย่างนี้พูดใกล้ใกล้ทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ทำไมว่าทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะเราไม่รู้นั่นเองเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นแหละคือความสุขสิ่งที่มันทุกข์ เราก็เลยไม่ได้แก้มันดังนั้นมองเห็นคนอื่นเนี่ยไม่พอใจสมมติเอานะพอดีเห็นหน้าบุคคลที่ยังไม่ชอบใจนั่นแหละมันติดแล้วทั้งตัวเราเราก็เลยว่าต้องเอาสนาคนนั้นพยายามพูดให้คนนั้นไม่เป็นอย่านะเราเลยมันได้มาแก้ตัวเราแสดงว่าเราไม่ได้ศึกษากับธรรมชาติจริงๆบางคนฟังเสียงพูดเสย ยังไม่ทันได้เห็นเห็นหน้าเสียงดังมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจแล้วทุกคนต้องมีอย่างนี้ตัวอาตมาหรือตัวของผมมีอย่างนี้จึงเอาคนจริงมาร้อยฟังอันเนี้ยทุกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยสมุทัยทําให้ทุกเกิดเนี่ยเราพูดกันได้แต่ทุกการเคลื่อนไหวนี่ต้องกําหนดรู้อันนี้ก็เป็นธรรมดาบัดนี้ทุกมันไปยึดไปถือเนะี่ยเราไม่รู้มันเลย เราไม่ได้กาหนดมลยมีแต่เพียงมันทุกข์แล้วก็คิดอยากไปเอาสนะมันทันทีเลยนี่อันนี้แสดงว่าเราลืมตัวเราเลยไม่ได้เป็นบทเรียนดังนั้นการศึกษาธรรมะอย่างที่ตัวของผมหรือตัวอาตมาพูดนี่ศึกษาอยู่ที่ไหนก็ได้ศึกษากับพระกับเนงก็ได้ศึกษากับก บ, ดบิดามาดาก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษากับเด็กๆก็ได้ ให้ว่าศึกษาได้ทุกเพศทุกไลท์ทีเดียวดังนั้นจึงเตือนแล้วว่าศึกษากับสิ่งที่รอบตัวเราคนผู้ที่มีความรู้เหนือเราก็เป็นครูเราได้คนที่มีความรู้พอเสมอเราก็เป็นครูเราได้คนที่ไม่มีความรู้ต่ำกว่าเราไปไม่มีความรู้เท่าเรานะแต่ความรู้คนนั้นต่ํากว่าเราไปเราก็ศึกษาได้ถ้าเรารู้จักวิธี ดังนั้นเรื่องนี้ที่จะนํามาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพราะปาประสบการณ์มาอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมันไม่พอใจปลุกเราต้องรีบมาดูตัวเรามีการแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ทุกคนไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการทําไมมันโกรธขึ้นมากับข้อเราลืมตัวเรานั่นเองลืมใจเราไม่ได้มองตัวเราไม่ได้มองใจเราไปมองหน้าคนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นแต่ความจริงมันเข้ามาถึงเราแล้ว อันนี้หละพระพุทธเจ้าท่านสอะสมุทัยทําให้ทุกเกิดตัวคิดนะเป็นตัวสมุทยัยมันเป็นแม่เหล็กชนิดหนึ่งเรียกว่าอุปาทานดังนั้นเคยพูดกันไว้ฆ่าแม่เหล็กนิเสียศฆ่าแม่เหล็กนี้เสี ย, ส า, ส, ยสาให้มันหมดไปแล้วบัดนี้มีเหล็กเราดึงแม่เหล็กไปเหล็กเศษเหล็กเหลือมันจะไม่ดึงเข้ามาเลยบัดนี้เราไม่ได้เอาแม่เหล็กนี้ไปฆ่าหรือไม่เอาไปสโลบยาดึงแม่เหล็กนี้ไป เหล็กเศษเหล็กเหลืออยู่ที่ไหนมันจะเข้าไปติดไปติดแล้วก็ดึงไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอ่ะพาลาหาเวปัญจขันฐานมันเป็นภาษาบาลีขันทั้งห้าเป็นของหนักเนิน่ะพาลาหาโลเจปุคาโลหุคนผู้แบกของหนักพาไปคนเราทุกคนมันแบกภาละหนักจริงแต่พาละเรื่องขันทังห้ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มนันเป็นเรื่องนึ่งคือภาระหนักมันเข้าไปยึดตัวสมุทัยนี่เองอเราไม่ได้มองตัวสมุทัยนี้สักทีเลยอาตมาอายุสี่สิบหกปียังได้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงจะพูดแต่เรื่องเดียวเท่านี้จริงว่ตัวเองรับรองว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่ทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งนี้นั่นเองดังนั้นพวกท่านมาที่นี่เนีย่ยอะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นบางที่อาจจะได้ปริยาต ร, ยารีปริยาโธปริยาเอกส่วนมากนะตัวตัมมานเนี่เสียหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้แต่เคยคิดเอาไว้ว่าจะพยายามกับสิ่งนี้ให้ได้เคยคิดเอาไว้ นี่แหละการทำบุญก็ไม่รู้จักบุญเมื่อไม่รู้จักบุญแล้วจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้แต่เราทำบุญอยู่แต่สร้างบาปกรรมขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยพูดให้ฟังครั้งหนึ่งทำมหากระถินเนี่ยไปถวายพระแต่แม่บ้านพูดให้ไม่พอใจเลยตกเย็นมาพูดกับแม่บ้านแม่บ้านเขาเลยโอ้ทำไมตกนรกแล้วนะเขาว่าอยู่นะเนี่ยมันเป็นของจริง เราคิดว่าจะพูดกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ดูที่ตัวของเราเขาไม่ตกด้วยเขาว่าอย่างนี้แหละทำบุญก็ยังเป็นบาปอยู่เมื่อไม่รู้จักบุญเอาบุญไม่ได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละบุคคลที่มาสอนเราเรื่องนี้นะเดี๋ยวถึงเขาจะมีอายุน้อยกว่าตามถึงเขาจะไม่มีความรู้ก็าตามถ้าเขาพูดถูกแล้วควรที่จะเอามาศึกษาตัวเราคราวนั้นเป็นเียก ว, ว่า เป็นเป็นภรรยาก็ได้เป็นเมียก็ได้นะแต่อตมารับฟังทีเดียวโอ้หนี่ทุกแล้วแม้เราทุกคนเดียวเขาไม่ได้ทุกในเราเนี่ทุกเราตกนรกถังเป็นแต่เราไม่รู้นรกจะหลีกนรกได้ไหมหลุดไม่ได้แต่เราไม่รู้จักบุญจะเอาบุญได้ไหมเอาไม่ได้แต่เพียงว่าเราทําบุญท่า น, นเองมันเป็นซื้อของบุคคลที่ไม่มีทุกเท่านั้นเองตั้งแต่บัตรนั้นมา มีกำลังใจมากขึ้นนึกว่าเอาแหละถ้าเอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่มีวันที่จะเลิกกันได้คิดตั้งแต่บัดนั้นมาอาตมาคิดมาแต่เริ่มคิดมาตั้งแต่นานแล้วว่าจะเอาชนะผมโกรดนี่ได้แต่มันไม่รู้วิธีมันพอดีคนมาพูดไม่พอใจมันติดเลยทางนี้ดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดยิ่งง่ายๆ อยู่ที่ไหนเ็ได้อันนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าต้องทำบ่อยๆนะเราต้องไปประสบการณ์มันบ่อยๆพอาเดี๋ยวมันขึ้นมาไม่พอใจแล้วเต้องมาดูใจเราแต่เมื่อเรามาดูใจเราก่อนเสียแล้วคนที่พูดให้เราไม่พอใจมันไม่เข้ามาใกล้เลยมันเป็นสโลมเรียกว่าเอายามาสโลมไม่ก่อนเหมือนกับที่ว่าเอายามาสโลมเนื้อเราไว้ปิ่งมันจะไม่ติดเราเลย ถ้าเราไม่มียากัรมันปิงมันจะเข้ามาดูดเอาเนื้อเราจริงๆดังนั้นควมยึดควมถือเนี่ยสาคัญที่สุดที่อจะมานามาพูดให้ฟังอันนี้เป็นหญ้าปากคอกมันถ้าหากไม่รู้เรื่องนี้แล้วจะไม่มีวิธีแก้ได้เลยแม้จะทำบุญให้ทานก็ทำได้แต่ยังไม่รู้เข้าใจว่าบุญนั่นคืออะไรบุญคือสลัดสิ่งนี้ได้นั่นแหละบุญแทๆ้ๆ ศีลก็เหมือนกันถ้าหักสลัดสิ่งนี้ไม่ได้จิตใจจะไม่เป็นปกติเมื่อจิตใจไม่เป็นปกติแล้วแสดงว่าเราไม่มีศีลเลยอันนี้เป็นวิธีง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ได้ไดเด็กก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้จะเป็นคนราติใดภาษาไหนถือศาสนาไหนก็ได้เรื่องนี้อันนี้แหละถ้าหักเราทำจุดนี้ได้แล้วเราไปอยู่กับสังคมใดก็สบาย ทำการทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองบุญมากที่สุดคือรู้อันนี้บาปมากที่สุดคือไม่รู้สิ่งนี้นคนว่าอันนี้เป็นคาเดียวกันนะบุญมากที่สุดคืออันนี้ทำไมคือรู้จักวิธีปลดเปื้องอันนี้ออกได้เนี่ยวาปลดเปื้องออกได้ก็เป็นบุญเราแล้วเนี่ยเริมเข้าต้นทางแล้วเราจะเห็นทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าบาปมากที่สุดคือเราไม่รู้วิธีแก้ตัวนี้นี่เอง ใครพูดอะไรเข้ามามันมืดตึบเรียกว่าปีศาจนียกว่าพญามารก็ได้ถ้าหากว่าเรา ท, ทําทีเดียวมันเสร็จไหมไม่เสร็จเลยเพราะมันรอบด้านเราอยู่เสมอเนี่ยมันรอบด้านเราศึกษาธรรมะ ก, กับธรรมชาติเป็จริงๆ <c oughs> เมื่อเรารู้จักรอบด้านเราแล้วเราก็เห็นเห็นสิ่งที่พอใจมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ ไปไหนมาไหนเราก็รู้แม้จะไปด้วยกันสองคนต้องมีพูดขึ้นมาให้ฟังทันทีคนนั้นเขาชอบเรื่องนั้นเขาต้องแสดงเรื่องนั้นแต่เขาไม่รู้อะสิ่งนั้นเนี่คือทุกข์แต่สิ่งที่ชอบใจนั้นเนี่ยคือทุกข์ดังนั้นเอาของให้คนก็เหมือนกันเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้บุคคล น, นั้นแต่บุคคล น, นั้นไม่รับเราก็ทุกข์อีกแล้วนี่สิจงนทร์บัด น, นี้เมื่อเราเอาของสิ่งนี้สิ่งที่เราชอบใจให้คนนั้น คนนั้นมันรับไปแล้วก็พอใจทุกทั้งสองอย่างเลยให้เขาจะทุกทั้งสองอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านวางเป็นการการเมื่อเราต้องการเอาของสิ่งนี้ให้คนนั้นเลยเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะเราให้เสร ย, สรยให้เปล่าเปล่าให้โดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ตามปกติหรือผู้ที่ไม่มีปัญญาเรียกว่าปุถุสูตนนั่นเอง เมื่อเร า, เอาของสิ่งนี้ให้คนเราชอบกับสิ่งนี้แหละเอาของสิ่งนี้คนนี้เมื่อคนไม้ไม่รับเสียใจแล้วนี่เสียใจแล้วเป็นทุกข์เลยบัดนี้บัด น, นี้เราเอาของสิ่งที่ไม่พอใจ่ะให้เขาเขาก็ไม่เอาก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำพูดหรือว่าเขาทำอะไรให้เราทุกอย่างนั่นแหละเราต้องมองภาวะจิตใจอยู่เสมอเป็นคนไม่ลืมตัว การพัฒนาตัวเองเนี่ยพัฒนาใกล้ๆหรือการแก้ปัญหาตัวเองก็แก้ปัญหาใกล้ๆหรือความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละอยู่ที่ตรงนี้เองมีทุกคนทีเดียวสําหรับพุทุสโนเว้นแต่พระเดียเจ้าแต่พระเดียเจ้าก็มีเหมือนกันแต่พระเดียเจ้าท่านฝุกหัดดัดนิสัยได้ท่านรู้จักวิธีกลไกและเทคนิคของมัน รู้จักวิธีเอาสนะได้ท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนเราสอนเราสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกให้ทุกคนพยายามดูใจทันวันเราก็เรียกว่าสติคมละลึกได้พวกเรามาพูดกันที่นี่ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกใจนี่มันก็เดยไปเข้ากันได้กว่ากับมีสติคมละลึกได้นี่เองถ้าคนใดไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกใจแล้ว แล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปมันก็เลยไปเป็นทาดของผมลงผิดอันตัวสมุทัยเนี่ยให้เรารู้มันมันคิดปุ๊บออกไปให้เราเห็นให้เรารู้ทันทีเมื่อเราไม่เห็นไม่รู้มันก็ไปเอาเรื่องอื่นขึ้นมาเราก็เลยทุกตัวสมุทัยเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างมันมีทั้งหมดเลยมันไปจับเอาสิ่งใดมาแต่มันไม่ได้จับโดยมือพอทีมัน ไ, ไปยึดเข้ามา อาตมาเคยทําให้ดูมือเราเปล่าๆ เ, เนี่ยเอาเหรียญวางใสมือคั่วมลงม อ, อย่างนี้มันหล่นเลยทีเดียวบัด น, นี้คนที่ยังไม่สลาดนะเอาเหรียญวางมันยังจับอย่างนี้มันไม่วางเลยเพราะตัวนั้นมันยึดบือถือดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเข้าใจแล้ ว, ลวเราก็วางได้เหมือนกันทุกคนดังนั้นคนจะทําบาปทํากรรมก็ตามไม่ทําบาปไม่ทํากรรมก็ตามถ้าหากไม่มา ทำงานกับจุดนี้แล้วเสื่อว่ายัางไม่เข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมากแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามจุดนี้แหละเป็นเริ่มต้นอาตมาเข้าใจเรื่องนี้มาโอ้นี่คาสอนของพระเจ้าเริ่มต้นที่สุดฟังอาตมาพูดได้บางคนไม่เข้าใจเพราะมันสลับสับ้อนเนี่ยเราไปเอาบุญบุญนั่นอยู่ที่ไหน ไม่รู้บุญเลยตัวอาต ม, มานึกว่าตายแล้วจึงจะเอาบุญไม่รู้เลยแล้วจะได้ไหมบุญอ่ะได้แต่มันไม่ได้เขาว่ามันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้เพราะเราเอาไม่เป็นถ้าเรารู้แล้วบุญเอาเป็นได้ถ้าเรายังไม่รู้เอาทีนี้เมื่อทำบุญแล้วมันสบายใจจับหลักการที่สบายใจนะั่นแหละไว้ให้มันดีเมื่อมีคนมาพูดให้เราเราก็รีบทิ้งซะ มาจับหลักการที่สบายใจนีอยู่เสมอไปก็เป็นบุญได้ถ้าหากว่าเราไปทำบุญเงินสักร้อยสักพันสักหมื่นสักแสนเป็นล้านก็ตามนะถาวายพระแล้วสบายใจเมื่อมีคนมาพูดให้เราเกิดไม่สบายใจแสดงว่าบุญไม่มีแล้วบุญหมดแล้วเปรียบให้ฟังหลายครั้งหลายหนเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวย ไม่มีที่ตาหนิแล้วก็มีน้ำมันเสื้อเพลิงสาดลงไปมีไม่แค่ก้านเดียวจุดเป็นไฟขีดเป็นไฟแล้วเอาไฟไปติดน้ำมันเสื้อเพลิงไ ฟ, ไฟจะไหม้บ้านหลังนั้นเสร็ จ, เ, รจเลยเมื่อไฟไหม้บ้านหลังนั้นเสร็จได้จะอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่ได้แดดออกไปอยู่ที่นั่นกราขายมันเป็นเท้าขึ้นมาถ้าฝนตกไปนั่งอยู่ที่นั่งกรุกตีเพราะมันไม่มีที่บงัง อันนี้ก็เหมือนการการทำบุญให้ทานนะจะทำเท่าใดก็ตามดีแล้วแต่มันไม่มีประโยชน์กับตัวของเราเท่านั้นเองดังนั้นตัวของเราตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่นามาพูดให้ฟังนี้ถ้า<น><น>หากต้องการจะแก้ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเมื่อแก้ปัญหาตรงนี้แล้ว การเดินทางของเราก็จะไปได้โดยสะดวกสบายเพราะเราแก้ปัญหาข้อต้นได้แล้วข้อที่สองก็แก้ได้ข้อที่สามก็แก้ได้น้องก็แก้ได้เป็นเปาะเป็นปเปาะไปสิ่งที่รอบตัวของเราดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนั้นเข้าใจจริงอยู่แต่เรายังไม่รู้จักวิธีดังนั้นจึงให้ทำวิธีการเคลื่อนไหวของตัวเราอย่างนี้ เตตัวจิตใจนั่นเราจะไปเคลื่อนไหวมันไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเรามาเคลื่อนไหวตัวนี้เราทำได้พอเรารู้สึกตัวนี้ก็หมายถึงว่าเรารู้สึกจิตใจมันคิดขึ้นมาเราเขารู้ได้เมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี้แล้วเราไปอยู่กับจิตใจมันคิดมันก็ลากเราไปทันทีเลยนี่ตัวสมุทัยทำให้ทุกข์เกิดดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนว่าทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละเราละมันไม่ได้ เพราะมันมีอุปทานอยู่แล้วคำว่าอุปทานก็หมายถึงว่าเราไม่รู้มันนั่นเองมักต้องเจริญพระพุทธเจ้ทาท่านสอนมักต้องเจริญเจริญก็ต้องทำให้มากเหมือนกับเราหาเงินเนี่ยถ้าหาน้อยมันไม่พอต้องหามากๆหามากๆก็ได้มา ก, กว่าตัวเจริญนนโรธ ก, ก็แปลว่าทำให้แจ้งทันวันทาให้แจ้งก็เพราะเราเคยทคาโอมเคยซึมของมันโอมมันมาอย่างนี้มันมาทางหูบ้างมาทางตาบ้าง มาทางไหนก็ตามและมันจะเข้ามาทุกด้านทีเดียวดังนั้นเรือปีศาจมันรอบตัวของเราหรือกิเลสมันรอบตัวของเราหรือของสิ่งที่ซัวร้ายเนี่ยมันรอบตัวของเราเมื <ME> ่อเราปล่อยตัวเมื่อใดมันถลําเข้าไปในที่ชั่วเมื่อนั้นเมื <ME> ่อเราปล่อยใจเมื่อใดมันถลําเข้าไปในที่ชั่ววันนั้น<ม>ในขณะที่เรามีสติหรือมีความรู้สึกตัวตื่นตัวตื่นใจอยู่ปีศาจมันเข้ามาใกล้ไม่ได้เหมือนกับเราจุดไฟเนี่ย เมื่อมีความสว่างอยู่แล้วความมืดไม่มีเลยพอดีไฟดับปุ๊บความมืดมันเข้ามาทันทีดังนั้นคนทำบุญก็ตามวันนี้ก็ต้องพูดฮไม่ใช่พูดหนักหรอกพูดกลมจริงให้ฟังแต่บางคนจะหาว่าพูดหนักนะไม่ใช่พูดหนักแต่พูดวามจริงให้ฟังค น, คนไม่ชอบแต่วามจริงคนชอบวามจริงอยู่แล้วแต่ว่าพูดวามจริงให้ฟังฟังไม่เข้าใจเขาเลยไนมะ่ชอบบาปกรรมทั้งหมดนั้นไม่มีคนอื่น ไม่มีผีไม่มีเทวดามาทำให้เราเลยเราทำเองแม่บุญก็เช่นเดียวกันไม่มีใครมาทำให้เราเลยเราทำเองแต่ให้เรารู้วิธีเท่านั้นเองถ้าหากเราไม่รู้วิธีแล้วเราจะไม่รู้ทิศทางดังนั้นตัวของผมเนี่ยเคยทำบุญมามากรักษาใจแล้วมันรักษาศีลในตำรามันดีแล้วรักษาศีลในตำราเรียกว่าสังคมเท่านั้นเอง แต่ตัวจริงแล้วมาดูที่ใจนี่เองดังนั้นวันนี้จรจักขอแนะนำให้พวกเราเอาไปใช้ทดลองดูถ้าหากมันผิดไปจากที่นี่เร้ถือว่าตัวของอาตมานี่วามจริงใจไม่มีมาพูดโกรโหกวอกลวงญาติโยมเพื่อนภิกษุสมเณรแม้ตัวเองยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจแล้จะไปสอนคนอื่นได้ทำไมดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนก่อนที่จะไปสอนคนอื่น และแนะนําคนอื่นนั่นตัวเองทําให้ถูกต้องแนวครองแพร่สํำนิดสํานานคนอื่นก็ทําได้ถ้าหากเราทําไม่เป็นแสดงจะไ ป, ส, ะปสอนคนอื่นตัวเองก็ทําไม่ได้นี่หว่าเขาเรียกว่าคนอวดดีไม่ดีดีในตัวคนอวดดีพูดได้แต่ทําไม่ได้อัตมาเคยพูดให้ฟังเคยทําความสงบเนี่ทําได้ใครต้องการมาศึกษาอัตมาสอนให้ได้รับรองบอกว่า ไม่ให้เกินสามสิบวันเรื่องเข้าตัวแข็งเนี่ยไม่เกินจริงๆแต่ว่าคนนั้นทําแล้วจะไม่เจริญจะเสียสติหรือมันจะเสื่อมไปมันจะทื่อมันจะทื่อมันสมองนี่จริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอจะเข้าไปแล้วมันลืมตัวไปแต่วิธีนั้นมันก็ดีแต่มันมันจะไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นวิธีนี้แต่วิธีนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับวิธีนั้นดังนั้นคนฟังแล้วถ้าไม่ขึ้นตั้งแต่ต้น มันจะไปปลายได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องคําพูดของคนสมมุติให้ฟังเราอยู่ที่มืดเราไม่ได้จุดตะเกียงมันก็มืดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพ อ, พอดีเราอยู่ที่มืดมามีไม่ขีดไฟจุดปึ๊บเข้าไปแล้วมืดบัรหายไปเองดังนั้นความผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเราต้องมาจับจุดนี้บาปกรรมทั้งมันจะค่อยหายไปหายไปหายไปเพราะเรามีความสว่างแล้วดังนั้น หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยรวมแล้วอาตมาเข้าใจว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องจิตใจเราทุกคนก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจแต่อาตมาก็ฟังมาอย่างแต่ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยเมื่อมาเข้าใจแล้วมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ความว่าง่ายนิดเดียวเนี่ยแต่ไปทำมันก็ยังยากอยู่นะ เพราะเราพอดีมันคิดปุ๊บเราเข้าไปในคมคิดแล้วอยากเข้าไปในขมคิดเมื่อเราถอนตัวออกจากขมคิดเมื่อใดแล้วเราจะรู้อันนั้นเป็นขมคิดเป็นตัวสมุทยัยมากแบบเนี่ยเราต้องพยายามทําตัวนี้ให้มากๆพอดีความเจริญมาทําให้แจ้งมันมาในขณะไหนเวลาใดเราก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจมันทันทีเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันทันทีแล้วเหมือนกับเราจุดตะเกียง ปีศาจหรื อ, อกิเลสหรือจะว่ายังไงก็ตามมันจะเข้ามาหาเราเราก็ต้องเห็นต้องรู้นี่เพียงใกล้ใก้เพื่อใจเดียวก็เข้าใจที่ฟังอาตมาพูดนี้ดังนั้นเราจะไปทํายังไงก็ตามต้องมาจุดนี้จะไปรักษาศีลก็ต้องมาจุดนี้จะไปทํากรรมฐานให้คนทรงก็ต้องมาจุดนี้ไปเจริญนิพพานให้เกิดปัญญาก็ต้องมาจุดนี้ถ้าไม่มาจุดนี้แร้วไม่มีทางไปสําหรับตัวของผม ดังนั้นความสงบที่อาตมาพูดนี่เจ้ะไม่ต้องไปนั่งสงบอยู่ที่ไหนความสงบคือหยุดการสาหยุดวิธีหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งเดียวเท่านั้นเมื่อเรายังหยุดสิ่งนี้ไม่ได้ก็สแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วจะไปหาทําไมครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนใครเอาให้เราไม่ได้เพียงแต่ท่านแนะแนววิธีให้ทําเท่านั้นเองดังนั้นวิธีที่อาตมาพูดนี้ คนใดทำได้ก็ถือว่านั่นแหละคือบุคคลที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ได้หรือบุคคลที่เข้าไปใกล้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามถือศาสนาไหนก็ตามแปลว่าพวกเข้าไปใกล้ความสงบเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าคือความสงบนั่นแหละ ไม่มีตัวไม่มีตนท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเมื่อพระวักกะลิกไปมองพระพุทธเจ้าอันลูกกายของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าคือตัวความสงบน้นพระพุทธเจ้า